ผูชที่เคารพคะขณะนี้ในมือของดิฉันเนี่ยมีหนังสือเล่มใหญ่อยู่หนึ่งเล่มคนละเล่มกับเล่มนี้ซึ่งเล่มนี้เดี๋ยวจะต้องกลับเรียนให้ท่านอาจารย์อธิบายอีกครั้งเพราะว่าสําหรับดิฉันยังเป็นของใหม่อยู่แล้วในเรื่องของหนังสือพุทธวจนะเนี่ยในส่วน ต, วตัวต้องบอกว่าได้เห็นครั้งใดก็ชื่นใจเสมอนะคะเมื่อมีการได้ทําเล่มใหม่ๆออกมาแต่เล่มที่ถืออยู่ในขณะนี้เป็นเล่มที่ชื่อว่าพุทธประวัติจากพระโอส์มีความสําคัญก็คือ เป็นเรื่องของพระพุทธองค์ที่คณะผู้จัดทมนั้นเชื่อว่าตรัสเล่าโดยพระพุทธองค์เองแล้วทําไมดิฉันต้องถือคำพีก่อนที่จะไปนมัศ ก, การท่าอาจารย์คึกฤทธิ์นะคะนั่นเป็นเพราะว่าอยากจะอ่านนําก่อนในเรื่องที่จะนําท่านทั้งหลายได้เข้าไปสู่ก็คือห้วงเวลาในเดือนนี้เป็นเดือนที่มีวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาก็คือวันมาฆบูชาที่ต้องมีการทําบุญจะต้องมีการเวียนเทียนกันเพื่อที่ระลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งกระนั้น ในพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ที่พระพุทธองค์ตรัสเล่าไว้เองเนี่ยนะคะก็มีการพูดถึงวันนี้เอาไว้อยู่ไม่ยาวมากหรอกคะ่ะแต่ว่าเป็นการยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ในครั้งนั้นได้เกิดขึ้นก็คือได้ตรัสในเรื่องสั้นๆที่ควรจะทราบไว้ก่อนรวมกับเรื่องอื่นๆว่าภิกษุทั้งหลายในบัดนี้สาวกสันนิบาตของเรามีเพียงครั้งเดียวและมีภิกษุถึง1250รูป สังฆสันนิบาตแห่งสาวกของเราในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมล้วนแต่เป็นพระขีนาศทั้งสิ้นค่ะเนื่องจากวันนี้ที่ฉันจะกลาบเรียนสนทนากับท่านอาจารย์ทึกฤทิ์ในเรื่องที่เกี่ยวกับวันวิมาคบูชานี้นะคะดังนั้นเราก็มานมัส ก, การท่านพร้อมๆกันก่อนค่ะ บูชาครับทคะที่วัดนาบพง์มีกิจกรรมอะไรบ้างคะปีนี้กิจกรรมก็คงตามปกตินะถวายทานแล้วก็ปฏิบจชาวินีตากนะ็คือสนทนากันในคำของพระาศาสดาค่ะก็่าทาสมาธนะิก็จะมี กีเช่นอาจจะประกวดอ่านพุทธวจนะทรงจำพุทธวจนะกันนะอย่างครั้งที่แล้วก็จะมีตั้งแต่รุ่นยาวไปเลยอายุเจขวบไ ล, ล่เรียงไปจนถึงอายุ70กว่านะค่ะท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยเห็นบรรยากาศนั้นนะคะซึ่งเป็นบรรยากาศที่ผู้ที่ศรัทธาในพุทธวจนะทั้งหลาย เตรียมมาจากบ้านเลยใช่ไหมคะพอทราบว่าจะมีกิจกรรมนี้กลับไปท่องเงินใหญ่เลยเด็กๆก็ไม่เท่าไหร่นะคะเจ็ดขวบเนี่ยเคยได้ยินถ้าอาจารย์ถามน้องน้ําวุ้ญถามว่าท่องบทนี้นานเท่าไหร่น้องน้ําบุ้นบอกคืนหนึ่งใช่ไหมคะแต่สําหรับพวกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยยอมนะคะอาจจะมากกว่า1คืนบางคนบอกแม้ท่องมาตั้งหลายคืนรดเขย่าหน่อยหนึ่งจําไม่ได้บางทนก็มีแต่ก็พยายามกันแล้วก็ทำกันได้สําเร็จทุกคน เป็นกิจกรรมที่ถ้าทำกันบ่อยๆทำกันมากๆท่านคิดว่าน่าจะเกิดอะไรขึ้นคะก็ทำให้ <c oughs> ผู้คนทรงจำคำพระศาสดาได้มากขึ้นเป็นเหตุปัจจัยของความเจริญของพระศาสนาโดยตรงค่ะ <c oughs> คือเราจะต้องทรงจำได้แล้วก็ขยันถ่ายทอดบอกสอนเนื้อความ น, านั้นๆแก่ชนทั้งหลายเพื่อไม่ขาดผู้เป็นบุญรากสืบทอดกันต่อไป อายุศาสนาจะยืนยาวขึ้นส่วนอนิสงส์ส่วนตัวของเขาที่เขาได้ก็คือแม้เขามีสติหลงลืมทำกาล้านเนี่ยก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดานะและจะได้บรรลุธรรมในภพของเทวดานั้นค่ะสำหรับวันมาคะบูชาเนี่ยถ้าอย่างคนที่ไม่ค่อยทราบเลยว่าทำไมเราถึงจะต้องมาระลึกถึงพระพุทธเจ้าหรือว่าจัดวันสาคัญกั น, กนในวัน แม่ทราบว่าาอาจารย์อยากจะบอกกับท่านทั้งหลายอย่างไรคะก็วันนี้เป็นวันที่ที่พระศัสดานได้ม yeah> ีโอกาสประชุมพระอรหันต์ถึง 1,250 ลูกก็เป็นโอกาสที่พระศาสดาเนี่ยได้วางหลักเกณฑ์ต่างๆในการเผยแผ่ศาสนาว่าจะเผยแผ่ศาสนาอย่างไรนะ เป็นการทำให้แนวทางในการเผยแพร่และประกาศศาสนาเนี่ยมันชัดเจนออกไปในแนวทางเดียวกันซึ่งการประชุมกันเป็นประจำเนี่ยพระศาสดาก็บอกว่าเป็น <c oughs> เหตุปัจจัยของความเจริญและไม่เสื่อมอค่ะนั้นเวลามีบบปัญหาอะไรปุ๊บเนี่ยผู้เจ้าจะเรียกประชุมสงฆ์ทันที<ม>ในจุกๆกลางค่ะเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์พูดถึงว่า พรอรหันต์มาประชุมกันถึงพันสองร้อยห้าสิบรูปแต่ว่าในานี้เนี่ยพูดถึงพระขี่นาศพไม่มีคํ า, า, า, าว่าอรหันต์แปลว่าขี่นาศพกับอรหันต์นั้นเป็นคาเดียวกันเลยคะก็คื อ, อะละเสยซึ่งกิเลสแล้วทําลายกิเลสแล้วอย่างนี้อ๋ อ, อค่ะแล้วก็ <c oughs> สันนิบาต ท, ที่ท่านบอกว่าสาวกสันนิบาตของเรามีเพียงครั้งเดียวนี่แปลว่าเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นครั้งเดียวอ่าฮะค่ะการประชุมกันจํานวนมากขนาดนี้ เท่ากับว่าท่านผู้ชมลองนึกย้อนไปนะคะครั้งที่พระพุทธองค์ดำรงพระชนชีพอยู่ตอนนั้นนี่พระอรหันต์มาประชุมกันนี่ไม่ทราบมาครบทุกรูปหรือเปล่าหรือว่าก็มีตั้งพันสอห้าสิบปไม่น้อยเลยนะคะ<ช>ค่ะแล้วสรุปแล้วเมื่อวางหลักเสร็จสิ้นอพอจะเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังได้ไหมคะว่าหลักที่ทรงวางไว้นั้นเป็นอย่างไรในการที่จะประกาศศาสนากันนะคะ ก็คือดูแล้วเนี่ยเป็นหลักที่สามารถานำไปใช้ได้กับทั้งคารวะทั้งบรปราชิต ค, คือการไม่ทำบาปทั้งปวงนะสรรพปาปัสสะาการนัง่งนะการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำผู้สนให้ถึงพร้อมนะแล้วก็การทำจิตให้บริสุทธิ์นะั้นถ้าจริงๆเนี่ยแค่ แนวทางตรงเนี้สั้นๆตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะใช้ในการหลุดพ้นได้แล้วแล้วก็เป็นความความเจริญในทางโลกด้วย เ, เพราะว่าถ้าแค่มนุษย์เราเนี่ยไม่กระทำบาปแล้วทําแต่กุศลแค่ น, นี้ชีวิตก็เจริญแล้วดูเหมือนกับว่าสั้นนินิดนึงนะคะคือเหมือนกับ โอ้ไม่ให้ทําบาปให้ทําบุญพูดง่ายๆกุศลที huh. ่ฉันเรียกบุญใช่ไหมคะ uh huh. uh huh. แล้วก็ให้ทําจิตให้บริสุทธิ uh ์อ huh. ทีนี้บาปกับบุญเนี่ยทําอย่างไรเราถึงจะรู้แล้วคะว่าเราเข้าใจถูกว่าบาปในความหมายของพระพุทธองค์นั้นกินความกว้างแค่ไหนกุศล uh huh. นี่กินความกว้างอย่างไรท่านคะบาปนี่ก็มีตัววัดในเรื่องของกรณีของ อ่าสินห้านะเป็นพื้นเลยค่ะถ้าทำผิดเป็นปกติเนี่ยก็จะเป็นไปเพื่อนรกบันเดลเดชาือเบรติสัย ห, หรือตัวของอกุศลลกรรมบทสิบนะอ่าค่ะที่มีในเรื่องของสัมมาวาจาเข้าไปด้วยค่ะนั้นถ้าเราพูดโกหกคำหยาเพื่อเจือสอนเสือก็จะเป็นอกุศลละ เ, เป็นเรื่องของบาปละค่ะ เป็นเรื่องที่ผู้เจ้าบอกเนี่ยเป็นความผิดทางกายวาจาทางใจเนี่ยการมีมิจฉาทิฏฐิการมีความโลภนั้นการที่เราควบคุมกายวาจาใจของเราเนี่ยในรูปแบบของศีลห้าก็ดีรูปแบบของอกุศลกรรมมบดก็ดีนะก็ะจะเป็นตัวเครื่องวัดความสะอาดหรือไม่สะอาดทางกายวาจาใจของเรา ก็คือดูที่กายวาจาใจซึ่งเป็นซึ่งเป็น เ, เรียกว่าสิ่งที่จะทำกรรมได้กรรมนี่มันจะปรากฏออกมาทางกายปรากฏออกมาทางวาจาออกมาทางใจต้องควบคุมค่ะดังนั้นเหมือนกับว่าการไม่ทำาบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อม คือเรื่องเดียวกันแต่ว่ามันดูคนละมุมเป็นตรงข้ามกันใช่ไห ม, มเองง่ายๆอย่างหนึ่งก็คื อ, เ, อ <c oughs> เพียงแต่เรารู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยหรือเราจเจริญสติปัฏฐานส <c oughs> ี่ผู้เจ้าก็บอกเนี่ยคือบุญหรือกองกุศลที่แท้จริงแล้ว <c oughs> จะเล่นสติปัฏฐานสี่กับข้อสามที่ว่าเป็นทิศทานในการที่จะให้ ปฏิบัติตามพระศาสนาในทางเดียวกันคือทำจิตให้บริสุทธิ์เป็นเรื่องเดียวกันไหมคะก็จะเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้แต่เราจะเห็นความเชื่อมโยงของคำว่ากุศลที่พูุ้ทธเจ้าบอกว่าถ้าใครจะกล่าวกุศลที่แท้จริงว่าคือตัวสติปัฏฐานสี่เนี่ยก็คือเป็นผู้ที่กล่าวอยู่โดยถูกต้องและตัวอกุศลที่แท้จริงก็คือตัวนิวรนห้ากรรมสันทะพยาบาทถีนมิธะ กุทจจะกุขจามิจิกิจชานี่คือกุศลและอกุศลที่แท้จริงค่ะกุศลที่แท้จริงคือสติปฐานสี่ภาษาวิลิสมาลามากค่ะสติปฐานสี่เนี่ยหมายความว่าอะไรคะถ้าให้เขา้าใจง่ายฐานที่ตั้งของการระลึกได้ฐานที่ตั้งของการระลึกได้สติคือการระลึกได้ค่ะน่ะ และได้กลับมาที่อะไรล่ะกลับมาที่กายเวทนาจิตและธรรมอันนี้คือที่ที่ให้จิตระลึกกลับมาเพราะนั้นจิตระลึกกลับมาที่กายเกิดสัมปัชัญญะความรู้ตัวอยู่กับกายหรือจะรู้ตัวอยู่กับอุเบกขาเวทนารู้ตัวอยู่กับจิตรู้ตัวอยู่กับธรรมคือเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเราทากุศลแล้ว ะะดังนั้นเนี่ยกุศลในอีกในหนึ่งที่พระพุทงกัดไว้และท่าจารมาบอกเนี่ยก็หมายถึงว่ามีสติอยู่ในฐานทั้งสี่<ช>นะคะก็คือกายเวทนาจิตธรรมกายคือลมหายใจนั่นเองนะคะแล้วเวทนาคือรู้สึกสุขชอบไม่ชอบอุเบกขา<ช>เฉยๆนะคะจิตก็คือมีสติอยู่กับ ผู้ที่ไปรู้แล้วทมก็คือมีสติอยู่กับการเห็นการเกิดการดับอันนี้ถือว่าท่านทั้งหลายได้ทำกุศลแล้วส่วนอกุศลท่านบอกว่าคือนิวรน์ในหนึ่งนั้นนิวรณ์ห้าท่านช่วยกรุณาอธิบายด้วยค่ะห้าอย่างตัวกรรมฉันทะก็คือความยินดีใน ตัวรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสค่ะพยาบาทก็คือความยินร้ายหรือความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสค่ะพอใจไม่พอใจกับอายตนะภายในภายนอกทั้งห้าในส่วนของกายค่ะทีนมิธะเนี่ยก็คือความง่วงเหงาหานอนความซึ้งซึมมึงชา อุทจจักกุปจจะคือความฟุ้งซ่านที่คิดไปในเรื่องอกุศลต่างๆค่ะวิจิกิจฉาคือความสงสัยลังเลค่ะความสงสัยในข้อวัดปฏิบัติมรรคและปฏิปทาค่ะความสงสัยในเรื่องข้อปฏิบัติกายและวาจา ว่าเอ๊ะทำอย่างนี้เนี่ยถูกไหมอย่างนี้ถูกไมนะขาดความรู้ในด้านอริสสส4ก็จะสงสัยไปเรื่อยๆอย่างกับถ้าสมมติเราเป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติไปแล้วก็สงสัยว่าเราทําถูกไหมเนี่ยเท่ากับว่าเราเป็นผู้ที่ยังมีนิวรณ์ในข้อวิจิกริชาหรือเปล่าคะ อ, อ, อยู่ที่สงสัยว่าทําถูกไหมคือถูกไหมแบบไหนอะ่ะถ้าถูกไหมว่าเอ๊ะ รักษาสินนี่มันจะถูกไหมเนอกนั่งสมาธินี่มันจะใช้ได้ไ้ยเนี่ยหรือไปบูชาไฟดีกว่าน ะ, ะาหรือไปอนอนในโรงดีกว่าหรือไปทำลงน้ำแม่น้ำคงคาดีกว่าสามเวลาเช้ากลางวันเย็นอย่างนี้ถ้าสงสัยแบบนี้นี่ยังไม่ได้สู่ดาบันนะอันนี้ะจะเป็นวิจิจรฉาที่ไปสงสัยในเรื่องมรรคและปฏิปทา แต่ถ้าสงสัยในเรื่องที่ว่าเส้นทางที่ถูกต้องเนี่ยศีล ส, สมาธิปัญญานั่งสมาธิแล้วมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้เป็นความสงสัยที่เป็นธรรมดาอยู่แล้วที่อะวิวคนก็สงสัยรายละเอียดในเส้นทางระหว่างทางเดินเนี่ยมันไม่มีใครรู้เพราะมันยังเดินไม่ถึงมันก็ต้องสงสัยเป็นธรรมดานะคะคื อ, อถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าสงสัยอยู่ในกรอบของมรค คือหนทางที่พระพุทธองค์วางไว้เนี่ยถือว่าไม่ไม่ใช่เป็นวิจิกิจชาแต่เป็นความสงสัยที่เป็นปกติของผู้ที่พยายามที่จะเดินไปตามมัชถูกต้องแล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าเราเกิดไปสงสัยว่าเราทําอย่างอื่นดี้ไหมที่นอกแนวนี้สงสัยในตัวมัชเนี่ค่ะอย่างนั้นต่างค่ะถึงจะเข้าข่ายว่าเป็นตัวนิวรณ์หในข้อที่เรียกว่าวิจิกิจชา ท่านคะทีนี้ยังบอกว่าฟุงรรฟ้งซ่านฟุ้งซ่านในกุศลนะคะสำหรับอุทจจะกุกุจจกเนี่ยอ๋อฟุ้งซ่านในพวกอกุศลเนี่ยค่ะอกุศลต่างๆอ๋อกุศลฟุ้งซ่านในอะกุศลเช่นอย่างไรคะอือเช่นคิดไปเรื่องว่าเออเมื่อวานไปทานอาหารที่โน่นอร่อยจังเลยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไปทานอีกเนี่ย เ อ, อเรื่องงานเราก็ยังไม่เสร็จเลยนะ เ, เรื่องนี้นทำแก้ปัญหายังไงดีอันเนี้ยเป็นเป็นเรื่องของการฟุ้งซ่านในเรื่องของอกุศลซึ่งเป็นความยินดีพอใจในรูปเสียงอินรดทั้งนั้นถ้าจากกันเงน้ยเดี๋ยวถามกลับอีกทีทีนี้ขณะปฏิบัติเหมือนกับพอพยายามจะรวบรวมสมาธิอยู่กับลมหายใจแต่ก็เกิดเนี่ยคะ่ะจิตมันไปของมันเองอจะกินอะไรดี คิดเรื่องเดียวที่ท่านยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เลยแต่ระหว่างปฏิบัติอาใช่เป็นนิบอลเลยเป็นนิบอลเลยเนี่ยนิบอลโอ้โหแล้วการจะลนิบอลห้นี่ฉันต้องไปมองหน้าท่านผู้ชมเลยค่ะการจะลานิบอลห้านี่เป็นเรื่องยากนะคะอแล้วเป็นเรื่องที่ต้องทําอันดับแรกโอ้โหเป็นแปลว่าเขาเข้ามาแน่นิบอลห้อักขศนนี่ไมนจะเกิดแม้กระทั่งเราอยู่ในในเส้นทาง กำลังอยู่ในมักจะเกิดอากุศลแต่เรามีหน้าที่ที่จะต้องละละทิ้งไปจะละหรือจะแก้ไขไมคะ<อ>ไม่ต้องแก้ทัไงมันะทิ้งเลยการละก็คือแก้ไขแล้วอ๋อค่ ะ, <อ>ะนะท่านผู้ชมท่างแง่หมุมนี้นี่หน้าดิฉันบอกว่าตื่นเต้นน่าสนใจมาก <laughs> <laughs> คือเหมือนกับว่ามันทำให้เราได้รู้ว่าอ๋ออย่างนี้มั น, นยังมันเป็นอกุศลนะมันต้องทิ้งมันก็ยาก ก็อยู่ที่การฝึกไงถ้าเราฝึกบ่อยๆชนานาญก็จะเป็นเรื่องง่ายท่าอาจารย์คะแล้วมันมีการใช้ชีวิตที่จะเอื้อเฟื้อต่อการที่จะทำให้นิวรณ์อย่างนี้มันเกิด<ป>ขึ้นน้อยไหมคะท่านะะได้เช่นเวลาเรากินเราก็โพชเนมตันยุตากินพอดีปั๊บเนี่ยเราได้คุมความอยากระหวา่างระหว่างวันอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วมันจะช่วยให้เรื่องพวกนี้น้อยลงใช่ คือเราจะมีสติอยู่เรื่อยๆนอกจากเรื่องอาหารแล้วค่ะท่านคะมันมีเรื่องอะไรอีกคะที่คนเราส่วนใหญ่เนี่ยเจออยู่แล้วแต่ถ้ารู้เนี่ยจะเป็นโอกาสที่ทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติที่เป็นนิวรนน้อยลงอทุกอายตน ะ, ะมันส่งผลให้เกิดนิวรนหมดทางตาหูจมูกลิ้นกา ย, ยห้าช่องทางเนี่ยมเมื่อกี้ยกทางลิ้นทางตาก็ด้วยนึกถึงวันนั้นโอ้โหไป เที่ยวเชียงใหม่น ะ, ะดูดวงอาทิตย์สวยๆพี่ตกเรื่องนี้ขึ้นมานี่ก็ดังนั้ น, น, ก, นก็จึงให้รู้ว่าถ้าเราเกิดไปเชียงใหม่เพราะเราไม่ไปเชียงใหม่ก็ไม่ได้เราไปแล้วมีภูเขาเป็นฉากพระาทิต์สวยพอดีเราชอบเราทำาังไงคะก็รีบวางไปแล้วก็มารู้ลมหายใจแทนซะภูเจ้าก็สั่งว่าอย่าลืมลมหายใจเราก็มักจะลืมไง พอลืมปุ๊บจิตก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะที่เป็นตัวอกุศนตัวอกุศลตรงนี้คือมันขวางกั้นความสงบของจิตค่ะซึ่งคนทั่วไปมองมันก็ไม่ได้เป็นอกุศลอะไรแต่มันคือตามธรรมชาติมันเป็นอกุศลตรงไหนใช่เราเราคิดว่าอกุศลเนี่ยมันต้องเป็นความชั่วร้ายที่เกิดมาแล้วมันต้องทําให้เกิดความเดือดร้อนใช่ไหมคแต่เหมือนพอนึกถึงนะแต่นี้คือคือมันเดือดร้อนต่อความสงบ ในจิตในจิตค่ะเพราะฉะนั้นต่อไปเวลาที่เราตาหูจมูกลิ้นกายใจไปสัมผัสอะไรให้รีบมาอยู่กับลมหายใจนี่นี่ก็เป็นทางแก้ก็จะทําให้อกุศลเราในส่วนที่ได้ก็เป็นนิวรนนั้นหมดไปท่านคะแล้วอกุศลที่ไม่ใช่นิวรนนิวรนที่ไม่ใช่อกุศลมีไหมคะ นิวร์คือตัวอกุศสอยู่แล้วแล้วอกุศลทั้งหมดคือนิวร์ไหมคะโอ้อาุศสเป็นสิ่งที่กว้างมากอ๋อค่ะนะแต่ถ้านอกจากนิวร์นี่ก็มีอีกอะมีอีกเยอะแยะเลยคือแตกลูกออกไปได้เยอะแยะค่ะเพียงแต่ผู้เจ้าเนี่ยบอกอกุศสที่แท้จริงเนี่ยคือตัวนิวร์นี่แหละอ๋อนะแล้วตัวนิวร์เนี่ยยังเป็นตัวใหญ่ที่มันหล่อเลี้ยงอวิชาให้ดำรงอยู่สังโยธห้าเหรอคะมันเหมือนกับนิวร์ห้าไหมคะสังโยธห้าเป็นเอ่อ พื่งร้อยลัดจิตมันคือตัวฉันทราคะความพอใจยินดีในขันห้านั่นถึงเรียกว่าสัญยชนะคะ<อ>ดังนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าวันนี้ถ้าหากในส่วนที่ท่านบอกพระพุทธองค์ได้ทรงวางหลักในการประกาศศาสนาให้เป็นไปนในทางเดียวกันกับพระอาหารหันตสาวกที่มาประชุมพร้อมกันในวันมาค้าบูชาพันสรูปก็คือ เรื่องของการที่ให้ไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตให้บริสุทธิ์ซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้เมตตาอธิบายหยิบยกเอาพุ้ทวจนะว่ากุศลที่แท้จริงคือสติปัฏฐานสี่กุศลที่แท้จริงคือนิวรณห้าแต่ไม่ใช่อากุศลทั้งหมดมีมากกว่านี้เพียงแต่ว่าถ้าเราจะเรียนรู้ในเบื้องต้นเท่านี้ก่อนก็ได้แล้วก็ไปฝึกปฏิบัติเอานะคะแต่ดิฉันสงสัยในสิ่งที่ ท่านได้พูดต่อเพียงแต่ว่าอยากจะกลับเรียนถามเรื่องเกี่ยวกับวิสาขาบูชาให้จบเป็นเรื่องๆไปก่อนก็เลยคิดว่าบูชาขออภัยค่ะมาค้าบูชาที่ท่านบอกว่านิวรหล่อเลี้ยงอวิชาให้ดำรงอยู่จะยกไปถามวันต่อไปแล้วกันเพราะรู้สึกชักเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาแล้วเพราะทิ่ฉันจําได้ว่ามันเริ่มต้นด้วยอวิชาเลยสายปฏิจจะที่ทําให้พวกเรามีความทุกข์กับการเกิดอยู่ค่ะท่านผู้ชมคะสิ่งที่ดิฉันตั้งข้อสังเกตและตั้งใจจะมากลับเรียนถามท่านอาจารย์นี่คือว่า ในฐานะที่เราเป็นคนธรรมดาธรรมดาเราก็เห็นว่าเอ๊ะวันแห่งความรักเนี่ยมีอยู่ใกล้กับวันมาคบูชาจะคุยเรื่องพุทธวจนะพูดเรื่องความรักนี่บ่าไหมคะกลับเรียนถามท่านได้ไหมคะก็พูดเรื่องความรักก็พูดได้ก็พูดในแง่มุมที่ศาราบัญญัติค่ะงั้นขอกลับเรียนถามความรักในแง่มุมที่ศาราบัญญัติเลยค่ะท่านคะ ความรักในแง่มุมที่พระศาสดาบัญญัติเนี่ยพระองค์ให้รักธรรมะนะก็คือธรรมารามโมมีธรรมเป็นที่มายินดีนะพระองค์ให้รักในการประหารกิเลสนะประหานารามโมคือมีการประหารกิเลสเป็นที่มายินดีนะพระองค์ให้รักในการที่ เ, เราจะไม่พยาบาท อพยาปชาลามโมมีการไม่พยาบาทเป็นที่มายินดีนะพระองค์ให้เรารักในการป่าวิเวก ค, คือความวิเวกสงบสงัดเป็นที่มายินดีน ะ, ะและพระองค์ก็ให้รักในความไม่เนื่นช้าเป็นที่มายินดีน ะ, ะนั้นถ้าเรามีความรักอย่างนี้ มันจะนำพาเราไปสู่ความพ้นทุกข์ที่แท้จริงไดนะ้หรือความรักในอีกมุมหนึ่งก็คือ <c oughs> เรื่องของฉันทะนะ <c oughs> ฉันทะวิริยะจิตตวิบังสาเนี่ย <c oughs> องคุณที่ทำให้เกิดความสำเร็จขึ้นมาเรื่องอิทธิบาทสี่คนะ่ะ <c oughs> อิทธิบาทสี่ข้อก็จะ <c oughs> มีเรื่องของฉันทะาความรักขึ้นมารักพอใจค่ะอันนี้ถ้าจะพูดมุมดีกันคือหมายถึงว่าอิตทิบาตสีที่ประกอบไปด้วยฉันทาวิริยะจิตตะวิมังสาเนี่ยในข้อฉันท่าเนี่ยเรียกได้อีกอย่างนึงว่าความรักนะะก็คือตัวความพอใจตัวความพอใจก็คือตัวความรักนั่นเองเราพอใจสิ่งใดก็คือเรารักสิ่งนั้นค่ะ ก่อนที่จะไปไกลกว่าสองแง่มุมนี้ uh huh. ขอย้อนกลับไปกลับเยนถามท่านละเอียดถึงความรักในแง่มุมแรกที่ท่านบอกว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสให้รักในธรรมะ uh huh. ของพระพุทธองค์ก็คือ uh huh. ธรรมาราโมมีธรรมเป็นที่มาอินดี uh huh. แปล ว, ว่าให้มีความพอใจในธรรมะใช่ไหมคะปร ะ, ประหานาราโมคะ uh huh. ประหานาราโม ความรักในแง่ของการประหารกิเลสใช่รักในการประหารกิเลสใช่รักแล้วต้องฆ่าอันนี้ผมว่ารักต้องฆ่า <c oughs> ประหารนารามโมต่ อ, อไปแต่ฆากิเลสนะค ะ, ะการไม่พยาบาทการไม่พยาบาทอัพยาปชาราโมรักในการจะไม่พยาบาทาใช่ใช<อ>กดใครแล้วไม่ยอมเลิกใช่ ต้องรีบเลิกซะพยาบาทนี่มันมีความหมายนอกเหนือนจากที่ดิฉันเข้าใจไหมคะว่าใครทําเราเราต้องทําตอบใครทําเราเราต้องทําตอบอย่างเงี้ยอ๋อนอกจากนี้ยังเงคะคือพยาบาทนี่ยก็คือการที่เราผูกผูกเก็บความไม่พอใจตรงนั้นไว้เนี่ยพยาบาทกับจองเวียนเหมือนกัอืมอ่าคล้ายๆกันนะนั้นจะมีโกรธมีผูกโกรธนะนั้นเราไม่พอใจแล้วผูกความไม่พอใจนั้นต่อไปก็จะเรียกว่าเริ่มพยาบาทละ แล้วก็จะมีเรื่องของเปลียนเปลี่ยนพยมรักษาอารมณ์พยาบาทไว้มากๆโยมก็จะเกิดอารมณ์เบียดเบียนตามมามค่ะคือหมายถึงว่าพระพุทธองค์นี้อธิบายได้ละเอียดดีนะคะคือเหมือนกับว่านี่โกรธแล้วยังมีผูโกรธ ด, ด้วยใช่ผูกโกรธกับโกรธนี่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอ่าก็ทําให้จิตน่ยผูกกับอารมณ์โกรธอ้กไปคือโกรธนี่คืออารมณ์อารมณ์ใช่แต่ว่าภูกโกรธ ก็คือไปยึดมันไว้ใช่ไม่ปล่อยไม่ปล่อยนี่คือเป็นเหตุแห่งการอับอับพยาประชาราโม ง, มงนะครับซึ่งพระพุทธองค์บอกว่าให้เรารักรักการไม่พยาบาทอย่าไปผูกโกรธค่ะและให้รักอีกอย่างหนึ่งให้รักในปะวิเวกมีความวิเวกเป็นที่มายินดีรักอยู่คนเดียวเลยนะคะใช่รักที่จะอยู่ ผู้เดียวที่จะหลีกเล้นแต่การอยู่ผู้เดียวที่ลึกซึ้งของพระศาสดาเนี่ยก็คือความวิเวกในจิตซึ่งถ้าเราต้องติดต่อกับผู้คนกับสังคมเนี่ยเราก็ให้วิเวกในจิตเอาอซึ่งพระเจ้าก็เคยบอกกับภิกษุชื่อเทระว่าเทระการอยู่ผู้เดียวของเธอเนี่ยก็มีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีแต่การอยู่ผู้เดียวที่ละเอียดประณีตกว่าเนี่ยคืออะไรก็คือการที่ อดีตก็ละได้อนาคตก็ละได้และปัจจุบันก็กำลังถ่ายถอนความยึดมันด่นอย่างนี้ไม่ยึดทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตนั่นแหละคือการที่เรียกว่าป่วิเวกที่แท้จริงค่ ะ, ะคือไม่จำเป็นถึงขนาดต้องอยู่คนเดียวาาเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นแล้วนี่มันขัดกับทฤษฎีวันวาเลนไทน์มากเลยคนะ่ะคือเหมือนกับว่าพอพูดถึงวันแห่งความรักปุ๊บเนี่ย มักจะเดี๋ยวโทรไปหาคนรักหรือเราก็มักจะนึกถึงไอ้คนสองคนนี้เขาจะไปฉลองกันที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะค ะ, ะนี่เรากําลังพูดถึงรักในพระธรรมพระพุทธองค์บัญญัติไว้ก็เลยตรัสว่าให้ยินดีในความวิเวกแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าท่านเกิดจําเป็นต้องเป็นมนุษย์อยู่ในโลกใช่ไหมคะจำเป็นต้องมีชีวิตกับคนรักตามปกติธรรมดาแล้วทําวิเวกไม่ได้ก็อย่างปะวิเวกได้เหมือนกันมีความวิเวกเป็นที่มายินดีในอดีตปัจจุบัน อนาคตชที่ภายในค่ะส่วนรักในการไม่เนิ่นช้าเหยียบ180ยร้อยแปิไเงยคะท่านอ ม, มีความไม่เนิ่นช้าชเป็นที่มายินดีแปลว่าไม่เนิ่นช้าในการทําความดีไงนะคะไม่ต้องรอว่าพรุ่งนี้ก่อน อ, อถ้ามีความรู้สึกว่าใช่เพราะความตายไม่รอเราอ๋อค่ะ ดนั้นต้องรีบขนาดไหนนะคะก็ไฟไหม้ลูกโปงเสื้อผ้าเนี่ยต้องรีบดับรีบทิ้งรีบทำให้เร็วที่สุดเอาไว้ก่อนนค่ะ <laughs> นั่นเป็นความรักในแง่มุมที่พระพุทธองค์ได้บัญญัติไว้ในไตระหนึ่งมีชื่อเรียกเฉพาะเลยไหมคะพวกที่มายินดีทั้งหลายเนี่ยค่ะอืมก็เป็นธรรมอันเป็นเหตุให้อ่า <c oughs> ส ม, มาธิตีต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อ๋ อ, อทำที่ให้ส ม, มาธิตีต่างๆเกิดขึ้นมาได้ส่วนความรักในอิทธิบาทสี่เมื่อสักครู่นี้คือถ้าบอกว่าฉันทะเนี่ยคือความรักเลยนะฮะใช่ไหมคะในที่นี้ในที่นี้เราควรจะมีความรักในลักษณะอิทธิบาทสี่อย่างไรครเพราะว่าดูเหมือนกับว่าท่านพูดว่าในมุมดีนะแปล ว, ว่ามันยังมีมุมไม่ดียังไงล่ะคะ มุมไม่ดีก็คือพระเจ้าจะตัดว่าทุกใดในโลกนี้เนี่ยทุกทั้งหมดนั้นเนี่ยมีเพราะฉันทะเป็นมูลมีเพราะฉันทะเป็นเหตุเพราะว่าฉันทะเนี่ยเป็นมูลเหตุของความทุกข์นั้นที่เราเกิดทุกอยู่ทุกวันเนี่ยก็เพราะไอ้ตัวฉันทะตัวความพอใจนี่แหล ะ, ะนี่คือมุมโทษของของฉันทะและถ้าฉันทะหรือราคะหรือตัวความพอใจเนี่ย ในรู ป, ปราธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุเป็นสิ่งที่ผู้นั้นเนละได้แล้วเนี่ยอารมณ์สําหรับวิญญาณจะขาดลง<ม>น ะ, ะที่ตั้งอาศัยของวิญญาณจะไม่มีจะหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปนามขึ้น ม, มาได้ก็จะเข้าถึงความเป็นพระละหันเพราะ น, นั้นเพียงแต่เราละฉันทะในขังทั้งห้า เราจะได้ความเป็นพระลานขึ้นมาทันทีเพราะตัวฉันท่านนี่เป็นตัวที่เรียกว่าร้ายที่สุดเลยก็ได้ออืเนี่ยฟังเวลาฟังอะไรสั้นๆเหมือนรู้สึกเหมือนง่ายจะรู้สึกสลับไปมานะคะพ อ, อฟั ง, ฟงๆไอ้รู้สึกเหมือนง่ายฟังไปฟังมาไอ้ชักรู้สึกเหมือนยากแล้วก็กลับมารู้สึกเหมือนง่าย uh huh. ตอนนี้ถ้าใจกําลังพูดทําให้เราเข้าใจว่าเหมือนง่ายก็คือได้พูดถึงว่าพระพุทธโธตรัสว่าฉันทะในแง่ไม่ดีเนี่ยความพอใจ มางคนว่าเฉันทะไหนว่าดีไงดีในมุมที่จะทำดี uh huh. ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นฉันทะในลักษณะที่ไปยึดในขันห้าใช่เป็นฉันทะที่ไม่ดีใช่ทันทีขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ uh huh. เกิดเราไปพอใจในสิ่งเหล่านี้นะคะจะเป็นความทุกข์ uh huh. แล้วจะเป็นอุปสรรคขวางกั้นการเป็นพระอรหรันต์ใช่ถ้าเราละได้มันละง่ายแค่ไหนะ ก็ต้องฝึกละไปเรื่อยๆที่ผู้เจ้าสอนละนันทิ ค, คือละความเพลินละการผูกจิตติดกับอารมณ์เหตุผลคือการละการเกิดนั่นเองจิตไปสร้างการเกิดปุ๊บเนี่ยก็ให้ดับการเกิดทันทีนะถ้าอาจารย์คะนันทิกับฉันทะเหมือนกันไหมคะถ้างั้นฟังดูคล้ายๆกันนันทิเป็นความเพลินถ้ามีนันทิจะมีฉันทะ ธาละนันทิก็เท่ากับว่าละฉันทาได้ด้วยแปลว่าไม่ใช่ตัวเดียวกันก็ไม่เชิงแต่แทบจะติดกันเลยแทบจะเป็นอันเดียวกันก็ได้แต่จะแยกก็สามารถแยกได้อีกเหมือนกันเพราะมีนันทิอจึงมีฉันทะใช่แต่พระเจ้าจะใช้คําเปลี่ยนเป็นราคะแทนราคะฉันทะนตินันทิตันหาคําพวกนี้จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันหมด ทูตเจ้าจะบอกว่าถ้าละนันทิได้เนี่ยก็จะละราคาได้ถ้าละราคาได้ก็จะละนันทิได้ละนันทิละราคาจิตหลุดพ้นเลยละนันทิละราคาตัวแต่เป็นตัวเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะนั้นธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยมีรายละเอียดอย่างไรก็ตาม รายละเอียดนี้เป็นการให้ความรู้ว่าภูมิปัญญาของพระพุทธองค์นี่ได้ทรงแรงเห็นสิ่งที่คนอื่นเห็นยากออเอามาบอกเฉยๆนะคะท่าน ง, ง่ายๆคือเราล ะ, ละอย่างเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยจริงๆดิฉันอยากจะกราบเรียนถามท่านว่าอย่างนั้นลองไปฉลองวันแห่งความรักพร้อมๆกับการเฉลิมฉลองสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลอันยิ่งใหญ่เนี่ยได้ไหมคะอ๋อก็เฉลิมฉลอง ช่วยกันทําสมาธิพาไป <S 1> <S 1> <S วันวาเลนไทน์ผู้พิทาสมาธิ <S <S อ่าฮะจะได้รักกันยืนยาวไงเพราะว่าศรัทธาเสมอกันนะปัญญาเสมอ <S <S สินเสมอจารค่าเสมออย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าพอดีเดือนนี้เกิดหางกันแค่สี่วันเกิดเดือนเดียวกันแล้วเราก็มานั่งนึกนะว่าเราเมืองพุทธเนี่ยจริงวาเลนไทน์นี่มาจากไหนก็ไม่รู้นะคะแต่ดูเหมือนมีอิทธิพลมากเลยเกินค่ะเราควรจะ เราควรจะขวอยคว้าเอาไว้ในของดีที่มีอยู่ของเราไปด้วยนะคะในโอกาสเดียวกัน<ช>ค่ะก็เป็นการใช้เวลาที่คนพูดถึงในเรื่องของวันแห่งความรักมากๆแล้วก็วันมาฆบูชาที่เป็นสิ่งที่ชาวพุทธได้ให้ความสาคัญกันมากๆนั้นเนี่ยนะคะ มาอยู่ในเรื่องเดียวกันเพื่อที่บางทีท่านจะได้เห็นแง่เห็นมุมแล้วก็ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นชาวพุทธได้ทําความเข้าใจในเรื่องของหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบๆตัวเราด้วยวันนี้เราได้อ่านพุทธว จ, จะนะให้ฟังกันไปในตอนต้นแต่ว่าเป็นพุทธประวัติจากพระโอเะนะคะที่เป็นการได้ตรัสถึงว่าเกิด การประชุมสันนิบาตในลักษณะที่มีพระขีณาศพหรือว่าพระอรหันต์มาประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน 1,250 รูปด้วยพระองค์เองก็เป็นการยืนยันนะคะว่าพุทธประวัติในส่วนนี้เนี่ยได้เกิดขึ้นเป็นการวางหลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นไปในทางเดียวกันก็คือไม่ท ำ, ทำกุศลไม่ทาอกุศลทั้งปวงนะคะแล้วก็ให้ทากุศลให้ถึงพร้อมกับให มีการมีจิตที่บริสุทธิ์ค่ะแล้ววันนี้เราก็มาในมนส ก, กรรขอบพระคุณพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลวัฒนาปาพงลำลูกกาคลองสงพอิพร้อมๆกันค่ะ ทชมที่เคารพคะในเรื่องของการที่จะให้ความสําคัญกับวันต่างๆที่เป็นวันสําคัญที่มีการยกกันขึ้นมานั้นมืางทีก็อาจจะมีมาตรฐานที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแบบหนึ่งแต่ว่าบางครั้งเราก็เอามาปรับให้เกิดคุณประโยชน์มากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นในวันนี้ที่ได้มากราบเรียนถามท่านอาจารย์ถึงความรู้เกี่ยวกับเรื่องความสําคัญของวันมาคบูชา ตลอดจนหลักธรรมต่างๆที่ได้จำหลักมาตั้งแต่ในครั้งกระนั้นมาถึงวันนี้แล้วก็ได้กราบเรียนถามถึงเรื่องของวันแห่งความรักด้วยซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้เมตตานะคะที่จะบอกพวกเราว่าหลักธรรมที่ควรจะระลึกถึงนั้นได้แก่หลักธรรมอะไรบ้างแล้วก็คล้ายๆกับวันขึ้นปีใหม่ที่ผ่านมานะคะก็มีทางเลือกให้กับคนที่อยากจะเฉลิมฉลองกันในลักษณะของชาวพุทธว่าก็ปฏิบัติธรรมกันก็ได้ไม่ว่าจะเป็น วันไหนนะคะแม้กระทั่งวันแห่งความรักสำหรับวันนี้เราคงจะลาท่านผู้ชมกันไปอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็ติดตามรับชมรายการพุทธวจะนะกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะพุทธวจนะสวัสดีค่ะก็ขอให้ผู้ชมรายการพุทธวจะนะเนี่ยเป็นผู้มีความเจริญเจ้าหน้าในชีวิต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 จนเข้าถึงมรรคนิพพานและขอให้ได้ดวงตางเห็นธรรมสมบูร็จมรรคนิพพานกันโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคน